บันทึกที่สพระพุทธเป็นมนุษย์หรือเทวดาคติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้เมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความเข้าใจก็ทำให้ชาวพุทธอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีกับผู้ที่ยังนับถือเทพเจ้าพร้อมทั้งสามารถรักษาหลักการของตนไว้ได้ด้วยอย่างไรก็ตามบางท่านสังเกตว่าท่าทีเช่นนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาเสียเปรียบเพราะคนทั่วไปมีความโน้มเอียงในทางที่จะไม่มั่นใจตนเองและค้านที่จะคิดเหตุผลจึงมักถูกดึงลงไปสู่ลทัทธิว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอริดลบันดาลได้ง่ายข้อนี้อาจเป็นจุดอ่อนที่พิจารณากันไปได้ต่างๆแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ว่าเราได้ยกเอาขอบเขตที่ท่านวางไว้ขึ้นมาปฏิบัติกันหรือเปล่า และคอยย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องกันไว้หรือไม่ยิ่งเท่ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอยู่แล้วก็ควรจะยิ่งระมัดระวังรักษาหลักการให้แข็งขันยิ่งขึ้นมองอย่างหนึ่งเหมือนกับพูดว่าชาวพุทธฝ่ายชาวบ้านจะไปนับถือกราบไหว้ยกย่องเทพเจ้ากับเขาอย่างไรก็ได้แต่ไม่ใช่อ่อนวอนหรือมัวสมแต่อย่านับถือให้สูงกว่าความสามารถของมนุษย์ที่ตนมีอยู่ก็แล้วกัน เทวดาจะสูงเท่าใดก็ได้แต่ที่สูงสุดนั้นคือมนุษย์คือท่านผู้เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นต้นแบบสำหรับมวลมนุษย์ถ้าไม่คล่องใจที่จะนึกถึงภาพเทพเจ้าที่ตนเคารพเทิดทูนมากราบไหว้มนุษย์<ม>ก็อาจจะมองมนุษย์ผู้สูงสุดใหม่อีกแนวหนึ่งว่าเป็นผู้ได้พัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุดพ้นไปแล้ว ทั้งจากความเป็นเท พ, พเจ้าและความเป็นมนุษย์โดยขอให้พิจารณาพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ข้อความมีลักษณะเล่นทอยคำจึงแปลรักษาสำนวนเพื่อผู้ศึกษามีโอกาสพิจารณาครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จพุทธดำเนินทางไกลพรามผู้หนึ่งซึ่งได้เดินทางไกลทางเดียวกับพระองค์ มองเห็นรูปจากที่รอยพระบาทแล้วมีความอัศจรรย์ใจรัตนพระองค์เสด็จลงไปประทับนั่งพักทิ่โคนไม้ต้นหนึ่งข้างทางรามเดินตามรอยพระบาทมามองเห็นพุทธลักษณะการที่ประทับนั่งสงบลึกซึ้งน่าเลื่อมสส ย, ยิ่งนักจึงเข้าไปเฝ้าและทูลถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพเจ้าตรัสตอบว่านราม เทพเจ้าเราก็จักไม่เป็นท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนทันคนทันเราก็จักไม่เป็นท่านผู้เจริญคงจักเป็นยักษ์ยักษ์เราก็จักไม่เป็นท่านผู้เจริญคงจักเป็นมนุษย์มนุษย์เราก็จักไม่เป็นเมื่อถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพท่านก็กล่าวว่า เทพเราก็จักไม่เป็นเมื่อถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ท่านก็กล่าวว่าจักไม่เป็นเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญจะเป็นใครกันเล่านี่เนียพราหมอสวเหเราใดที่เมื่อยังละไม่ได้จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้าเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์อสวาเหล่านั้นเราละได้แล้วถอนรากเสีแล้ว หมดสิ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญชริกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่พ้นน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดชั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกแต่เป็นอยู่เหนือโลกไม่ติดกลัวด้วยโลกฉันนั้นนี่เนี่ยครามจงถือเราว่าเป็นพุธธทธเถิด พุทธพจน์จากอังกุตรานิกายจตุการนิบาท